วิธีให้อุปสมบทและกรรมวาจาให้อุปสมบทภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่าข้อ70ท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะผู้ขอบวชเป็นภิกษุของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าทรงพร้อมกันแล้ว พึ่งให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชานี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปิขะของท่านผู้มีชื่อนี้สงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมี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 มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาท่านรูปนั้นพึงนิ่งท้ารูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สามข้าพาเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพาเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขาของท่านผู้มีชื่อนี้ทรงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาทารูปใดเห็นด้วยกับการ